ธรรมชาดกแผ่นที่4ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่15มีนาคม2550มีชื่อเรื่องว่าม่อสารพัดนึกพระพุทธศาสนานี่สอนให้ระลึกถึงบุญคุณ ของบิดามารดานั้นมาในอันดับหนึ่งการที่พวกเราจะทำสิ่งใดก็าตามคิดถึงขุนบิดาคือพ่อมันดาคือแม่ของเราไว้อยู่ในใจเสมอจุดมุ่งหมายของท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาท่านมีจุดมุ่งหมายสูงมากสำหรับบุตรธิดาของท่านถ้าว่าพวกเราเป็นคนดีก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมต่อโลกพ่อแม่ของเราก็คงจะภาคภูมิใจอย่างมาก แต่ถ้าว่าพวกเราออกไปแล้วทำตนไม่ดีมีตะตกต่ำเป็นที่ลังเกียิเดียดสันของชุมชนและสังคมพ่อแม่ของเราก็คงจะเสียใจแต่ถ้าว่าพวกเราออกไปแล้วทำตนให้เป็นคนดียางศีรธธัะถึงจะหักล้างหักใจพ่อแม่ถึงขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเราออกไปแล้วออไปเฟตตัวแล้วไปปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านปฏิบัติพ่อแม่ของพวกเราก็คงจะภาคภูมิใจอย่างมากอันนี้เราจะเปรียบเทียบศิริทธรรมทำไมหักใจพ่อแม่ไม่เป็นการหักใจของพระบิดาเหรอที่ท่านออกไปบวชอย่างนั้นแต่หักใจมากแต่เบื้องตน้นแต่ปลที่จุดภูมิใจมากเมื่อศิทิธรรมประสบความสําเร็จได้มาโปรด เอาอริยทรัพย์มาแจกวงสกุลตลอดถึงพระ อ, องค์พระบิดาด้วยอันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูว่าการที่พวกเราจะทำสิ่งใดก็าตามให้คิดถึงคุณบิดาคือพ่อมารดาคือแม่ของเราไว้อยู่ในใจเสมอเนื่อง่าพ่อแม่เป็นบุพก า, ารจาของบุตรธิดาพ่อแม่เลี้ยงเรามา แล้วก็ให้ความรู้สอนหมดทุกอย่างวยอวาเป็นอาจารย์คนแรกอาบน้ำอย่างนี้นะลูกนะกินข้าวอย่างนี้นะลูกนะนอนอย่างนี้นะลูกนะห่มผ้าอย่างนี้นะลูกนะอันนั้นร้อนนะอันนี้หนาวนะเอออันนั้นอันตรายนะลูกนะที่พวกเราพ่อแม่เห็นเขาสอนเด็กนั่นแหละเราก็ไม่แพ้กันอย่างนั้นทั้งหมดทุกอย่าง เพราะนั้นท่านยังว่าพ่อแม่เป็นบุคคอาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่สอนบุตรธิดาจากนั้นเมื่อพอที่จะเข้าโรงแําโรงเรียนได้ท่านก็ไปฝากไว้กับผูราคาแพงขนาดไหนโรงเรียนเออเก็บค่าเทอมค่าเรียนแพงขนาดไหนก็อยากจะให้ลูกตนเองเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียนในโรงเรียนนั้นๆไม่ได้คิดว่าจะเสียเงินมากน้อยแค่ไหนข้อสําคัญว่าให้ลูกตัวเองเข้าไปศึกษาเข้าไปเรียน ในจุดนั้นเพื่อให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ท่านก็ได้ทุบเทลงไปให้ลูกได้เข้าไปศึกษาอันนี้ก็คือพ่อที่จะยื่นเข้าไปพ่อจะสง่งเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์ในอนุบาลนั้ น, น, นจากนั้นก็เมื่อจบอนุบาลแล้วก็พยายามหาโรงเรียนอีกที่จะสูงขึ้นไปกว่าโรงเรียนประชาบานที่วัดนักเรียนประถมขึ้นไปอีก เขาพยายามหาโรงเรียนที่ดีที่สุดเพื่อจะให้เข้าไปเพื่อจะให้ลูกก้าวหน้าเนี่ยคือพ่อแม่มีทพยายามที่จะส่งเสียลูกของตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีพ่อแม่คนใดที่อยากจะให้ลูกของตัเองตกต่ำเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราให้มองดูมองดูเจตนาดีของพ่อของแม่อย่าไปมองดูที่ว่าท่านห้ามยังไงว่าอย่างไงเราก็เสีย อ, อกเสียใจกับ ท่านอันนั้นเพียงนิดนิดหน่อยหน่อยสำหรับพ่อแม่กับลูกเป็นของธรรมดาแต่ว่าส่วนใหญ่ทุกจุดมุ่งหมายของท่านนั้นไม่ใช่ธรรมดาท่านมีจุดมุ่งหมายสูงมากสําหรับบุตรธิดาของท่านเพราะฉนั้นเราต้องมองจุดนี้เพาถือว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณกับเราพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรคือมีพรหมวิหาร ผมวิหารคือผมมีเมตตามีกรุณามุทิตากับบุตรทีดามีเมตตาอยู่ตลอดรักเมตตาอยู่ตลอดกับบุตรของตนกรุณาก็คือความสงสารอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นคนดีก้าวหน้าในหน้าที่การงานพ่อแม่มีจะคิดอยู่เสมอมุทิตายินดเีเมื่อลูกตัวเองได้ดีมุทิตาเมตตากรุณา โมทิตาแต่ว่าอุเปกขาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อลูกถึงข่าววิบัตินั้นอันนี้พ่อแม่คงจะไม่มีใน จ, ใจิตใจให้กล่าว่าทําใจไม่ได้เพราะงั้นอุเปกข า, าเนี่ยไม่ค่อยมาจะไม่ใช้เลยกับบุตรธิดาของตนเองมีแต่เมตตากรุณามุทิตาเต็มหัวใจของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นลูกนะให้คิดไปอยู่เสมอว่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณสําหรับเรา ถ้าว่าเราเนรคุณหรือว่าเราไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่อันนั้นในหลักของพุทธศาสนาธรราจัดรว่าเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ว่าออไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แล้วจะรู้จักบุญคุณกับของอย่างอื่นกับท่านผู้อื่นนั้นเป็นไปได้ยากขนาดพ่อแม่ตัวเองที่บังเกิดก้าวแท้ๆยังไม่รู้จักบุญคุณเพราะนั้น พ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราอย่ามองข้างในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพ่อแม่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทำกิจธุระของท่านดํำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่าน อันนี้คือหน้าที่ของบุตรที่เกิดมาจากพ่อแม่แต่พ่อแม่แต่เมื่อเราเป็นพ่อแม่ของเด็กถ้าเราเป็นพ่อแม่ของเขาเราทำตนยังไงท่านบอกว่าแนะนำดีให้เรียนดีหเหว่าเมื่อลูกของเราท่านว่าให้เรียนดีแนะนำดีให้เรียนศินละปะส่งเสริมให้การเรียนการศึกษาแล้วก็ เมื่อพอเหมาะที่จะเป็นไปได้ก็ให้หาภรรยาที่สมควรให้แล้วก็มอบทรัพย์ให้ในสมัยอันที่ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่เ อ, อมอบทรัพย์ให้ในสมัยคือเมื่อท่านเฒ่าแก่ชราแล้วท่านก็บอกเออลูกเต่าเอ้ยออพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติเท่านั้นเท่า น, นี้นะก็แบ่งให้หมอบทรัพย์ให้ในสมัย อันนี้ก็คือพ่อแม่ที่พวกเราท่านทั้งหลายที่เคยเห็นแบ่งมรดกกันแต่โดยมากพอบางคนบางสกุลพอแบ่งมรดกให้ก็ไม่ลงกันนียไม่ลงรอยกันคนนั้นก็อยากจะได้มากคนนี้ก็อยากจะได้อย่างนั้นคนนี้ทั้งที่มีชิ้นเดียวที่พ่อแม่จะแบ่งให้ผลที่สุดตัวเองพอได้มาแล้วไม่ใช่จะ เลี้ยงตัวเองเท่านั้นนะอยากจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของตนเองไปอีกบางทีไปแต่งงานมาแล้วมีลูกขึ้นมาอยากจะเอามรดก ข, ของพ่อแม่ให้ลูกตัวเองให้หลานตัวเองอีกอันนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราควรจะคิดเหมือนกันที่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามาท่านเลี้ยงดูเราเรามีความสุขเราได้รับการศึกษาจบจากนั้นเราก็แต่งงาน เมื่อแต่งงานแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราเราก็ต้องสอแสวงหาทรัพย์ของเราเพื่อเลี้ยงลูกของเราเพื่อแบ่งให้ลูกของเราลูกของเราอีกเกิดขึ้นมาอีกเมื่อแต่งงานไปแล้วเขาก็ต้องหาเลี้ยงลูกของเขาอีกเป็นทอดๆไม่ใช่ว่าเราจะเอามรดกของพ่อของแม่เลี้ยงลูกยังไปแล้วยังเลี้ยงหลานยังเลี้ยงเหลนไปอีกแล้วจากนั้นก็แย่งกันอันนี้ผมว่าเนี่ยไม่ถูกต้องในเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้ว เรียนจบแล้วมีหน้าที่การงานทําแล้วเราก็น่าจะเพียงพออย่าให้ท่านหนักใจกับเราอันนี้ก็คือบิดามารดาท่นว่าพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกอันนี้กัท่านก็เปรียบเทียบอีกพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกคือถ้าว่าใครก็ตามดูถูกเหยียดหยามพ่อแม่คุณนั้นจะบาปหนะักท่านว่าเปรียบเทียบเหมือนพระอรหันต์ทำไม ท่านจึงเปรียบเทียบอย่างนั้นว่าในหลักของพระพุทธศาสนาท่านบาว่าอนันตเริยกรรม5อย่างมาตุคาตฆ่ามารดาปิตุคาตฆ่าบิดาอารหันตคาตฆ่าพระรหันโลหิตตุบาททำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างพระโลหิตให้ห้ออย่างประเทวทัฏกริ่งหินลงมาจากภูเขาให้กระทบพระหัตของพระพุทธเจ้าพระโลหิตทอ สังฆเภทยุโยงสงให้แตกกันให้เป็นสองฝ่ายอันนี้แปลว่าบาปหนักที่สุดในหลักของพระพุทธศาสนาเแปลว่าแค่ว่าฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ถ้าว่าบาปหนักแสดงว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็เหมือนฆ่าพระอรหันต์เหมือนกับทำร้ายพระพุทธเจ้ายัางพระโลหิตให้หอกเหมือนกับยุโยงสงให้แตกกันนี่แหละ อันนี้เราเปรียบเทียบแบบการฆ่าพ่อฆ่าแม่กับเหมือนฆ่าพระอรหันต์บาปเพราะนั้นท่านเปรียบเทียบถึงพ่อแม่เหมือนกับพระอรหันต์พระอรหันต์ของบุตรธิดาเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าว่าใครก็ตามถ้าว่าไม่ครบบิดา ม, มดาของตนแล้วจะหาความสบายอกสบายใจหรือหาความเจริญรุ่งเรืองในจิตในใจนั้นยากถึงจะรุ่งเรืองข้างนอกมองดูคนเห็นทั้งหลายพอ ยิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะเ อ, อมีความสุขแต่ส่วนลึกของหัวใจนั้นหาความสุขไม่ได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ฟังได้ศึกษาในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้มองข้ามพระคุณของบิดามารดาให้ระลึกไว่อยู่เสมอว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่เราเกิดมาเพราะนั้นการที่จะทําสิ่งใดก็าตาม ให้เระลึกถึงคุณบิดามารดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่เป็นนักศึกษาที่เขามาบวชมีเวลาน้อยแทนที่เขามาบวชในศึกษาในพุทธศาสนาให้พวกเราสํานึกไปอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนานสอนให้ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดานั้นมาในอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเกิดพบใดชาติใดท่านจะไม่มองข้ามพระคุณของบิดามารดาพระ ในครั้งพระพุทธเจ้าลาบวชขอพ่อแม่บวชพอบวชเขาไปแล้วพ่อแม่ตกทุกข์แต่ยากเพราะไม่มีผู้รับมรดกไม่มีลูกชายรับมรดกเลี้ยงดูด้วยว่าทำกิจการดูแลกิจการของพ่อแม่พ่อแม่ตกทุกข์แต่ยากท่านกลับหวนกับมามาเห็นพ่อแม่ตกทุกข์แต่ยากท่านรับพ่อแม่มาเลี้ยงดูเลี้ยงดูงดท่านไปบิณฑบาตมา ท่านให้พ่อแม่ทานก่อนอามาบินาบาตมาถึงให้พ่อแม่ทานก่อนท่านยังไม่ทานให้พ่อแม่ทานก่อนพ่อแม่ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยท่านจะค่อยฉันอาหารเพราะว่าท่านเป็นลูกชายนี่แหละท่านเลี้ยงดูพ่อแม่ถึงขนาดนั้นเมื่อรับไทายทานมาไปทับทายทานมาได้ผ้ามาก็ไม่ทําลายให้สีเสียแต่ว่าสีเหลืองก็มาซักมาฟอกแล้วเอาสีดงสีดําขยําเข้าไปให้มันเป็นสีดํา ก็ให้พ่อแม่นุ่งฮทีนี้พระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าพระองค์เนี้ยบวชมาแล้วยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปบินท บ, บาทมาให้พ่อแม่กินก่อนแล้ได้ของอะไรมาก็ให้พ่อแม่ทาอย่างนี้ก็ทำให้บวชมาเพื่อเลี้ยงเลี้ยงพ่อแม่ทำไมไม่ศึกไปจะดีกว่าทำไมถึงทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าเสื่อมเสีย พระสงฆ์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจา้ากราบเรียนพระพุทธเจา้าคือฟ้องนะ่นเองนั่นแหะไปฟ้องพระพุทธเจา้าพระพุทธองค์ก็เรียกพระองค์นั้นมาทําไมท่านได้ทาอย่างที่พระสงฆ์เมาฟ้องท่านท่านเป็นผู้เลี้ยงมรารดาอย่างอย่างที่เขาฟ้องใช่ไหมท่านองค์นั้นท่านก็ไม่หลกไม่เลี้ยงเหมื่อก้นะันะท่านก็ได้เลี้ยงจริงๆนะทําไมพระพธองค์ก็ต้องมีเหตุผล ทำไมพระองค์นั้นก็บอกว่าก่อนหน้านี้กับผมเป็นลูกชายของท่านคนเดียวท่านก็ไม่อยากจะให้บวชแต่ข้าพระองค์อยากจะบวชในพุทธศาสนาอย่างมากเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงได้ลาท่านไปบวชเมื่อลาท่านไปบวชแล้วท่านก็ดําเนินกิจการผิดพลาดก็ทําให้เจ๊งพูดง่ายๆกิจการเจ๊งก็ทําให้ล้มละลาย เมื่อข้าพระองค์รู้ว่าพ่อแม่ล้มละลายข้าพระองค์ก็กลับมาจากป่ามาเห็นพ่อแม่ตกอยู่ในสภาพลําบากข้าพระองค์ก็เห็นว่าข้าพระองค์เป็นลูกแต่ข้าพระองค์เป็นพระข้าพระองค์ก็ไม่อยากจะศึกเพราะฉะนั้นข้าพระองค์ในฐานะลูกข้าพระองค์ก็ต้องปฏิบัติคุณพ่อคุณแม่ที่ท่านได้เลี้ยงมาแล้วก็พยายามตอบแทนบุญคุณของท่าน เท่าที่จะตอบแทนได้เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงไปบินทบาตมาก็ให้พ่อแม่ทานก่อนแล้วข้าพระองค์จึงค่อยทานทีหลังเมื่อท่านทานแล้วเมื่อข้าพระองค์ไปรับนิมนต์ได้ผ้ามาข้าพระองค์ก็พยายามทําลายให้สีเสียทําลายให้สีเหลืองนั้นเอาสีอะไรย้อมมาเป็นสีดําขึ้นมาพ่อให้พ่อแม่ได้ใช้ข้าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้เพราะว่า ข้าพระ อ, องค์เหนได้บวชไปพ่อแม่ก็ได้ตกทุกข์ไดยากอย่างนี้พระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทั้งที่ท่านจะตําหนิท่านบอกว่าซาทุซาทุเห็นด้วยนี่แหละเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ดีเราเกิดมาในภพใดชาติใดเราไม่เคยทิ้งพ่อทิ้งแม่เราถึงจะเป็นสัตว์ทิฏฐิฉันเราก็ยังระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดา เราไปเกิดในสถานที่ใดเราไม่เคยทอดทิ้งพระคุณของบิดามรารดาภิกษุองค์นี้เป็นภิกษุตัวอย่างที่ท่านทําได้ถูกต้องแล้วเมื่อท่านเกิดกับพ่อกับแม่ท่านต้องดูแลพ่อแม่ของท่านนี่อันนี้พระพุทธองค์ท่านไม่ให้พวกเรามองข้ามถึงจะตกทุกข์ได้ยากอย่างไงก็ตามเรื่องคุณบิดามารดาเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาจะต้องช่วยกันประครับครองดูแลจนถึงที่สุดเพราะนั้นท่าน จึงว่าพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพก า, ารีของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นพระอรหารของบุตรธิดาเพราะฉนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาบวชในพุทธศาสนาเรื่องเหล่านี้ก็ควรจะได้ยินได้ฟังที่พระพุทธองค์ที่พระพุทธเจา้าในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้พวกเราไม่หลืมพระคุณของพ่อของแม่ถ้าพวกเราระลึกหรือว่าปฏิบัติตนอย่างนั้นแล้วพวกเราจะประสบแต่ความ ร่มเย็นเป็นจุกถึงจะมีครอบครัวต่อไปภายภาคหน้าบุตรธิดาของเราก็จะสอนได้ง่ายเมื่อเรามีบุตรขึ้นมาเราก็พาไปหาพ่อหาแม่กราบพระคุณของท่านต่อไปภายภาคหน้าลูกของเราก็ระลึกถึงบุญคุณของเราอีกมันเป็นการสืบทอดเป็นการธร ม, มุนินาวัตตีโลโกโสัตโลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตนได้กระทาไว้ แต่ถ้าว่าพวกเราดูถูกเบียดยามพ่อแม่เอาแต่ใจตัวเองทําอะไรก็ฝืนใจพ่อแม่พ่อแม่จะมีแต่ร้องห h o ร้องให้กับเราในเมื่อเรามีลูกขึ้นมานั่นแหละเขาก็จะไปตามที่ที่เหมือนกับตัวเองได้ทํากับพ่อแม่นั่นโบราณกันว่ า, าลูกตุมูมลูกตานหล่นไม่ไกลต้นะแค่ๆว่าพอเราทํำยังไงลูกของเราหรือผู้เกี่ยวข้องกับเราก็จะทําอย่างนั้น เพราะานสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่เข้ามาศึกษาในพระพุทธศาสนาและก็พร้อมกันก็ให้สังสมคุณงามความดีอย่าไปทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมที่ไม่ถูกต้องการอยู่กับโลกทั่วไปการจะทำสิ่งใดก็ค่ควรไตรตรองด้วยดีประพฤติตนยังไงจึงจะเจริญประพฤติตนยังไงจึงจะเสียหาย ถึงพวกเราจะมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ขนาดไหนแต่เราบริหารจัดการไม่ถูกเราก็สามารถที่จะจิบหายวายปวงได้เจ๊งได้ง่า ย, ายถึงพวกเราทำตนไม่ถูกถึงใครจะช่วยเหลื อ, อยังไงมันก็อยู่กับตัวของเราทั้งนั้นถ้าว่าเราทำตัวไม่ถูกแล้วจะหาความเจริญรุ่งเรืองได้ยากถึงใครจะช่วยเหลื อ, อยังไงตัวเองก็ไม่รู้จักช่วยตนเองแล้ว จะหาความร่าํารวยหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขรยาดอย่างในชาดกที่พระพุทธเจ้าปารุปรานของอนาถาบิดิกาเศรษฐีอนาถาบิดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้อุปถากพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปถากทุกอย่างคือสร้างวัดป่าเชตะวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีนั่นก็คืออนาถาบิดิกาเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้สร้างถวายพระสงฆ์ แล้กพระพุทธเจ้าจำพรรษานานที่สุดก็คือที่วัดป่าเชตตะวันแห่งนี้จำพรรษาอยู่หลายปีหลายกว่าวัดอื่นๆ เ, เมื่ อ, อแต่ว่าตระกูลของอาณาถาเบติกะนี่เป็นตระกูลเศรษฐีร่ำรวยแบ่งทรัพสมบัติกันแต่หลานของท่านคนหนึ่งที่ได้รับมรดกจากพ่อแม่ของเขาเป็นคนรวยแต่ผลที่สุดท่าหลุงทรัพสมบัต ทั้ง40ิกว่าโกด์นั้นะย่อยยับตัวเองยังไม่ตายเหมือนนั่นย่อยยับไปต่อหน้าต่อตาอนาถาเินตีเกิดไม่รู้จะทํำยังไงที่เป็นลุงผลที่สุดก็เลยหมดทรัพย์สมบัติแล้วทีนี้ก็มาขอจากอนาถาเินตีอนาถาเบนทีก็ให้พอให้ไปเสร็จแล้วมาขออีกท่านก็ให้มาขออีกอ้าวมันทําไมมันขอบ่อยนักผลที่สุดก็เลยอนาถาเินตีก็เลย ให้บริวารนะใส่คือคาใส่คอนะลากออกไปข้างนอกอย่าเข้ามาอีกหน้าบันถ้าเข้ามาอีกนี้จะใส่คือคาอีกว่างั้นก็กลัวแหะจะเนี่ถ้าแก่ก็เลยชัด เ, พเจพเนจรหาอยู่หากินตามภสษีภาษาผลที่สูบก็เลยตายพอตายเสร็จแล้วเขาก็เลยเอาสมัยนั้นใครตายเนี่ยเขาก็เอาเอาหอ่อหเอากระสอบอะไรห่อหอเส ร, ร็จแล้วเขาไปโยนทิ้งป่าช้า อันนั้นคื อ, คอปราช้าผีดิบเหมืนนะประโยชน์ปราช้าพอตายแล้วก็เป็นอาหารหมาจอกหมาในอีกาอีแรงน่ย น, นะนะกินไปตามประสีปลาสามะเรงมงแมลงวันหนอนเพนะื่อนทนี้อาาถาม่ดีกะเศรษฐีก็เลยเข้ามากราบพระพุทธเจ้าบอกว่าโอ้หลานข้าพระองค์พึ่งเสียไปต่ก่อนพ่อแม่ของเขาก็ล่ำรวยที่เป็นญาติกัน มีทั้งสี่สกว่าโกรธสีห้าโกรธโกรธนึ่งกับสล้านเขาแล้วเอามาถลวงใช่ไหเขายังไม่ถึงไหนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรานานารีสุรานารีเนี่ยแล้วกับการพนันทุกอย่างเขาทําให้เขาหมดทรัพย์สมบัติพลที่สุดก็เลยมาขอข้าพระองค์ข้าพระองค์ก็ได้เลี้ยงไม่ไหว่จนได้ทําจัดการอย่างนั้นเพราะเลี้ยงไม่ไหว พระพุทธเจ้าบอกว่าคนชั่วน่ยถึงยังไงก็เลี้ยงเลี้ยงไม่ได้เราเคยเลี้ยงมาแล้วอนณาถาไมตริกาเศรษฐีก็เลยถามกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์เลี้ยงมาสมัยไหนพระเจ้าขาพระองค์วันในอดีตชาติอดีตชาติตกร์เราเป็นเศรษฐีใหญ่ในยุคหนึ่งในกรุงพาราณสี เราเป็นเศรษฐีใหญ่เราทําบุญทําทานทําบุญทําทานใหญ่โตก็ว่าคนมาในทิศทั้งสี่ป่าว่าเรามีโรงทานเลี้ยงคนตลอดจิตใจของเรากว้างขวางทรัพย์สมบัติของเราก็ได้มาโดยเป็นธรรมเราก็แจกเรามีลูกชายอยู่คนหนึ่งพอจากนั้นมาเราก็เลยตายตายจากเศรษฐีนั้นเกินไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ชั้นดาวดึง พอไปเกิดชั้น่าวดึงนะทรัพย์สมบัติทั้งคืเป็นของลูกชายของเราลูกชายของเราทีนี้ไม่ปฏิบัติตามประเพณีของพ่อแหวกแนวเงั้นลูกชายแวกแนวทั้งกินเหล้าทั้งเมายาสุรานาฬิกาการพนองการพานันเอาเงินถลุงออกมาจากคลังที่เก็บเอาไว้ผลที่สุดตัวเองยังไม่ตายหมดทรัพย์สมบัติ พอหมดแล้วขายกินหมดเห็นพอขายกินหมดแล้วกินเหล้าเมายาทั้งพ่อเนี่ยกับมองเห็นอยู่เป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์เห็นก็นเลยโอ้ตายเราก็ได้ดิบได้ดีถึงขนาดนี้ลูกของเราแท้ๆเราควรจะไปสงเคราะห์ลูกของเราจากนั้นท่านก็นลงมาจากสวรรค์เนี่ยนะพ่อแม่รักลูกถึงจะเป็นเทวดาแล้วก็ยังยังห่วงอะไรในลูกของตนเองอยู่ ท่านก็ลงมาท่านก็ถือหม้อลงมาใบหนึ่งท่านก็เรียกเข้ามาเข้ามานี่เอบุตรสุดยอดทีละของพ่ อ, อท่านพูดแบบภาษาที่ว่าสุดๆเลยว่างั้นเถอะบุตรยอดทีละของพ่อนะแค่ว่ายังรักลูกอยู่ว่างั้นเถอะเอานะลูกนะอย่าไปทําตนไม่ดีนะพ่อจะให้หม้อแก่เจ้าหม้อนี้เป็นหม้อสารพัดนึก ถ้าเจ้าตกทุกข์อยากจะได้เงินเข้ามาเมื่อไหร่ให้เจ้าล้วงอมือลงไปในหม้อนี้หม้อนี้จะเลี้ยงเจ้าตลอดไปเจ้าอยากจะเป็นเศรษฐีเราก็เจ้าล้วงลงไปล้วงลงไปเอาเงินขึ้นมาเอามาใช้จ่ายาไม่มีไม่มีอดไม่มีอยากพ่อจะให้หม้อใบนี้แก่เจ้าฉะนั้นไอ้ลูกชายเศรษฐีทุกชายคี้เล่าคนนะั้นก่ พอได้ม่อขึ้นมาแลยก่อล้วงเงินลงไปในหม่ อ, ขอเข้ามาทีแรกก็เป็นคนดีเพราะว่ามันทุกมาพอแรงนั้นเนี่ยทุกมาจนพอแรงแล้วต่นี้พอได้ม่ออันนั้นคือมาก็ตั้งตนเป็นคนดีขึ้นมาในระดับหนึ่งก่อนเลี้ยงออแล้วก็ทํากิจการขึ้นมาก็ร่ํารวยมาเพราะมันล้วงเข้ามาก็เป็นเงินออกมาทางนั้นเนี่ยก็เป็นเศรษฐีขึ้นมาในระดับหนึ่งวะเพราะนิสยัย ตั้งเดิมมันยังมีเป็นสันดอนสันดานอยู่ในหัวใจเท่นี่ถึงจะล่วงออกมาได้แล้ต่อมากับมันกลับตนไม่ได้กลับตนให้เป็นคนดีไม่ได้ผลที่สุดนิดสัยเก่านิสัยสันดอนสันดานเก่าเข้ามาอีกท่นี่พอเข้ามาอีกท่นี่ก็กินเหล้าเมายาพราะตัวเองรวยขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไปอีกยีหลอบเก่ า, างั้นแต่ผลที่สุดพอกินเหล้าเมาลูกเลโยนหม้อเล่นแล้วบ้าน เออพวกคนกินเหล้านะ่ยมันไม่รู้จักอะไรเลยเอออันไหนที่เสียหายไม่เสียหายไม่รู้เพราะมันเมาเหล้าแล้วเออผลที่สุดก็โยนไปโยนมาโยนหมอ้มอหม้อก็เลยพลัดตกลงมาหม้อแตกทีนี่อพอหม้อแตกตอนนี้ไม่รู้จะล้วงเอาที่ไหนเพราะหม้อมันแตกแล้วกระจายไปแล้ะคนที่สุดอะไรตะแกก็เลยได้ทุกข์ยากลําบากอีกอย่างเก่าเออนี่แหละอันนี้แปลว่าคนชั่วน่ยถึงจะเลี้ยงยังไง มันก็เป็นคนดีไม่ได้เพราะมันเป็นสันดรสันดานมาตั้งแต่อ่อนแต่ออกเพราะฉะนั้นพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วให้สํานึกตรวจตราดูตนเองเสมอว่าข้าพเจ้าถึงยังไงข้าพเจ้าต้องเป็นคนดีของวงศ์สกุลของประเทศชาติบ้านเมืองเราไปอยู่หาสถานที่ใดเราจะไม่ให้ใครหนักใจเราจะตาลงตนเราจะเก็บหอมลอมริบในทรัพย์สมบัติที่เรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด เราเข้าไปเจ้าจะไม่ทําให้ใครญาติพี่น้องพ่อแม่วงสกุลเอเราไปอยู่ในสถานที่ใดจะไม่ให้ใครหนักใจกับข้าไปเจ้าพวกเราให้คิดอย่างนั้นไว้อยู่เสมอเอเพอไปอยู่ที่ใดก็ทําตนให้เป็นคนดีนี่แหละทางว่าทําตนให้ไม่เป็นคนดีแล้วก็อย่างที่ว่านะั่นนะเอะถึงเจ้าพระอินจะมาช่วยพระบิดาตัวเองมาช่วยก็ช่วยไม่ได้พรช่วยควนชัว่วเอ ช่วยคนชัว่วช่วยคนที่ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วคนขาดสติแล้วพวกคนเมาของคนขาดสติคือคนเมาจะเลี้ยงยังไงจะดูแลยังไงไม่ได้เหงวยนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะที่จะยินทางนี้ทางนั้นก็เป็นการแนะนําสั่งสอนสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกลูกหลานพวกเราเป็นคนดีของชุมชนและสังคมไม่ให้เป็นคนเลว เนีเลวมันไม่ดีเป็นคนดีอยคนดีนั้นจะทํำยังไงก็ตรวจตราดูตนเองสิ่งไหนที่ชุมชนและสังคมเขาตําหนิเราจะไม่ทําสิ่งนั้นเรื่องสุราเนี่ยควรจะยกเว้นสําหรับเป็นหมอหมอดื่มสุราร์เสียทั้งหมดเนีเสียหายทั้งหมดเพราะนั้นเวลาเราจะดื่มให้ระลึกถึงหลวงพ่อเอาไว้นะหลวงพ่ออินสอนคํานี้เป็นคําที่ หลวงพ่อเน้นหนักที่สุดเอ่ถ้าเร า, เราดื่มสุดาเอ้าเราดื่มหน่อยเดียวไปเป็นไรล่ะสังสรรค์เนี่ยผลที่สุดความสังสรร์นหน่อยเดียวนั่นแหะไม่มีใครจะกําหนดว่ามากน้อยแข่งไหนพอดื่มเข้าไปแล้วคนน่าเกิเกือกหนึ่งสองกึกเอาไปมาแก้วหนึ่งสองแก้วผลที่สุดกว่าจะรู้ได้มากหมายถึงขนาดไหนสามารถที่จะพูดอะไรความลับต่างๆก็เปิดเผยเออกมาหมดเพราะคนเมา ขาดสติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากฝากไว้กับพระนิสิตนักศึกษาที่เป็นจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นให้ลูกหลานฟังไว้นะอฟังไว้ที่หลวงพ่อสั่งเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยให้พวกเราสังเกตดูที่ผ่านๆมาจริงไหมนะให้พวกเราสังเกตนะพร้อมกันก็ให้พวกเราให้คิดไปอยู่เสมอว่า ชีวิตของพวกเรานั้นจะไม่ให้พลังเผลหรือผิดพลาดให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดีให้ประกอบในคุณงามความดีเหมือนกับเราไต่ลวดเส้นเดียวหรือใช้เชือกเส้นเดียวไต่อย่างนั้นคือพยายามให้เดินแนวเดินแนวตามที่ขีดเส้นเอาไว้เช่นชีวิตของเราเราจะเดินยังไง ถ้าว่าเราเดินสเปกสปะอะไรก็ได้นั่นละชีวิตของเราจะหาความราบรื่นได้ยากแต่ถ้าว่าเรามีความมุ่งมั่นมีความพยายามมีความตั้งใจข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งจะเป็นหมอที่ดีคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้มีความรับผิดชอบคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการรับผิดชอบนี่เป็นเรื่องใหญ่มากสาหรับหมอเพราะการผิดพลาดลงไปแล้วทำให้ชีวิตของเขา ขาดหรือตายลงไปเราจะตำหนิตัวเองนานเท่านานแต่ว่าเราทำจนเคยชินเราไม่ได้รับผิดชอบถ้าเขาตายไปบาปกรรมตัวนั้นจะต้องตามมาถึงเราเออบาปอากุศลตัวนั้นจะตามมาถึงเราเราจะทำสิ่งใดก็าตามมันจะไม่เจริญก้าวหน้าเพราะบาปอากุศลตัวนั้นเพราะชีวิตของมนุษย์ไม่ใช่ธรรมดา การฆ่ามนุษย์ เ, ยเป็นเรื่องที่หนักมากในหลักของพุทธศาสนาอย่างที่พระที่ท่านอ่านหนังสือให้พวกเราฟังการพรากมนุษย์ด้วยจัตราอาวุธด้วยเจตนาเป็นบาปหนักที่สุดโทษประหารของพระเพราะฉะนั้นพวกเราที่เป็นหมอก็ให้คิดไปอยู่เสมอว่าการกระทําสิ่งนี้มันเข้าข่ายเป็นโทษประหารไหมถ้าว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมพร้อม ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเขาถ้าเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บพวกเราเป็นบุญเป็นกุศลมากมายมหาศาลเมื่อเขาหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเขาก็ทำคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองเราก็พลอยได้บุญกุศลจากเขาไปด้วยพร้อมทั้งบุญทั้งคุณคุณก็คือเขาเสียสละเงินคําทรัพย์สมบัติให้แก่เราที่เป็นค่าหมอที่เขาให้มา อันนี้ก็ให้พวกลูกหลานทั้งหลายนะพวกเราท่านทั้งหลายให้คิดไปอยู่เสมอนะคับพกกร้อมกันก็ชีวิตของพวกเราจะยืนนานสักเท่าไหร่อันนี้ก็าให้คิดไปอีกออถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยขนาดไหนก็เถอะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น อ, อจาจารย์าจารย์หว่านายแพทย์ต่างๆที่เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราตั้งแต่ตั้งเมืองไทยมา เป็นยังไงโร่งรยไปเรื่อยๆตามอายุสังขารเพราะนั้นพวกเราให้ปฏิบัติตนปฏิบัติตนให้เป็นคนดีแล้วก็ให้ระลึลกถึงพระคุณประเทศชาติบ้านเมืองชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ที่คุ้มครองพวกเราแล้วก็ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทบาป บุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เราคิดไปอยู่เสมออย่างนั้นนะวันนี้ผมได้พูดเสียยืดยาวเบื้องต้นก็ได้พูดเกี่ยวกับพระวินัยที่ได้อ่านได้ศึกษาที่พระได้อ่านให้ฟังผมก็อธิบายต่อจากนั้นก็ผมได้อธิบายเกี่ยวกับพระคุณเมื่อวานได้พูดเกี่ยวกับพระคุณของประเทศชาติ ที่ให้โอกาสเราได้ศึกษาแล้วันนี้ได้พูดถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาแล้วก็พร้อม ก, กันก็ได้บอกกล่าวว่าเราอย่าเป็นคนรกโลกอย่าเป็นคนชั่วยกเป็นนิทานหรือเป็นชาดกขึ้นมาคือหลานอนาคามิดาเดกัสิธีตลอดถึงพระพุทธองค์ได้ยกนิทานชาดกขึ้นมา สมัยท่านเป็นเศรษฐีมีลูกแล้วก็ทําตนไม่ดีถึงจะให้ม่อสารพัดนึกก็ยังรักษาไม่อยู่แล้วก็พร้อมกันก็ได้พูดเกี่ยวกับทําตนให้เป็นคนดีอย่าให้หนกกักอกหนักใจไปอยู่น่าสถานที่ใดให้เป็นคนดีทําคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมต่อประเทศชาติแล้วก็พร้อมกันให้สํานึกมาอยู่เสมอว่า ชีวิตของพวกเราถึงจะมีความสุขขนาดไหนก็เถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ศาสตราจารย์ที่สอนสั่งสอนพวกเรามาก็หลังไหลลมหายตายจากไปเรื่อยๆพวกเราเกินไปทีหลังก็คงจะลักษณะอย่างนั้นชีวิตของพวกเราจะยืนนานสักเท่าไหร่อย่าตั้งอยู่ในความประมาทบาปบุญคุณโทษมีจริงนรกสวรรค์มีจริง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้เราคิดไปอยู่เสมออย่างนั้นนะตอนนี้ไปนั่งสมาธิสักชั่วระยะหนึ่ง